25ปีแห่งการมารับนับภาพของหลวงพ่อเทียนจิตสุปโภเมื่อเช้าพวกเราก็คงได้ฟังคำบรรยายของอาจารย์วัฒนาชัยไปแล้วนะเรื่องหลวงพ่อเทียนค่ำนี้ก็อยากจะรำลึกถึงท่านอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่พูดไปอาจจะไม่ซ้ากับ ที่เราได้ฟังเมื่อเช้าเอาเราคงทราบดีแล้วว่าหลวงพ่อเทียนท่านเป็นพระที่มีลักษณะพิเศษหลายอย่างที่ไม่เหมือนกับครูบาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั่วไปจริงๆตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงมากมายอะไรนะ ก็เป็นที่รู้จักเฉพาะในแวดวงลูกศิษย์ของท่านและคนที่สนใจเรื่องสติปัฏฐานเพราะว่าท่านไม่ได้สอนเรื่องที่มันถูกใจถูกกิเลส ข, ของผู้คนไม่มีเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารแล้วก็ไม่สนใจเรื่องพิธีรีตองหรือพิธีกรรมทั้งหลายท่านเองก็ไม่ค่อยเอาใจญาติโยมด้วยญาติโยมจะให้ท่านมารดน้ำมนต์ นะท่านก็ไม่ไม่เคยเสนอสนองเพราะท่านเห็นว่าอันนั้นมันมันไม่ใช่หนทางของการพ้นทุกข์จริงๆตอนที่หลงวงพ่อเทียนนะท่านยังหนุ่มเนี่ยท่านก็คงไม่ตายจากคนทั่ ว, วไปนะก็คือสนใจเรื่องพิธีกรรมสนใจเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหาร ท่านยังเล่าใฟังว่าตอนที่ท่านบวชครั้งแรกเมื่ออายุยี่สิบเนี่ยคือบวชตามประเพณีท่านก็ศึกษาเรื่องพวกคาถาอาคมด้วยก็เหมือนกับหลวงพ่อคำเขียนนั้นนะคือคนสมัยนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามาบวชแล้วเนี่ยก็หนีไม่พ้นที่จะต้องสนใจเรื่องพวกนี้นท่านก็เรียกว่าผูกคลีอยู่กับเรื่องนี้มาเป็นเวลานาน ก็รู้ว่ามไม่ใช่คําตอบเช่นเดียวกับเรื่องบุญกุศลท่านก็เป็นนักทําบุญทําทานที่เราทุ่มเทพอสมควรเนะพราะท่านมีฐานะท่านเป็นพ่อค้าแต่ท่านก็พบว่าทําบุญไปก็ยังมีความทุกข์อยู่แล้วก็บางครั้งก็เป็นความทุกข์ที่ไม่ใช่เรื่องเพราะเหตุที่เล็กน้อยเท่านั้นเอง อย่างถ้าเราว่าที่ท่านมาครั้งหนึ่งท่านจัดเป็นเจ้าภาพจัดทอดกรถินก็ให้ภรรยานี่ไปดูแลเรื่องมหรศพค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนี่มอบหน้าที่ให้เป็นของภรรยาท่านทําหน้าที่ต้อนรับแขกแต่เช้าวันหนึ่งภรรยาก็มาถามท่านว่า ห, หมอลำขณะนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่ ท่านไม่พอใจมากแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการแลวความไม่พอใจนี่ก็คุกกลุ่นทั้งวันจนกระทั่งไปถึงค่ำตอนกินข้าวกับภรรยาก็ยังพูดหลายครั้งว่าคนเราไม่เคารพกันก็อย่างนี้แหละพูดหลายครั้งจนกระทั่งภรรยาสงสยัยไม่พอใจเรื่องอะไรซักถามก็ก็ขอดา่าก็เดาออกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่า ฉันไปถามเรื่องค่าหมอรำใช่ไหมท่านก็ยอมรับว่าใช่ภรรยาท่านก็บอกเลยว่าเนี่ยให้สามีภรรยาผัวเมียนี่ถามเรื่องนี้เรื่องค่าหมอลำนี่มันผิดตรงไหนท่านก็รู้ว่ามันไม่ผิดนะแต่ว่าก็ยด้วยทิฐิมานาวก็เถียงเอาชนะอารมณ์ก็ยิ่งขุนมัวภรรยาก็เลยบอกว่า โอ้อยางงี้นี่นะทําไม่ได้บุญแล้วละ่ะจากการจากกองกรถิ่นนะนะไม่ได้บุญแล้วจากกองกรถินตกนรกแล้วละ่ะเจ้าเจ้าตกนรกแล้วเป็นคำพู้ที่แรงนะแต่ว่าก็ทําให้ท่านได้คิดเลยว่าโอ้ยี่เราขยันนะทําบุญทําทานทอดกรถิน่นทอดผ้าปานี่ความทุกข์ไม่ได้ลดลงเลยหรือ ก็ทำให้ท่านเบนเข็มมาปฏิบัติทำจนกระทั่งท่านก็ค้นพบผลทางาแห่งาการพ้นทุกข์คือได้รู้ทาซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานนั่นเองแต่ว่าอาศัยวิธีการที่ท่านได้ได้ได้เรียนรู้มาด้วยตัวเอ ง, องเช่นการที่ยกมือ14จังหวะหรือว่าสร้างจังหวะนี่ก็ ่านก็ปรับมาจากคูบาจารย์แต่ว่ามันในเรื่องการรู้สึกตัวในเรื่องการมีสติมากกว่าการการเพ่งนะพเทียนท่านบวชเมื่อาอยุมากแล้วนะครั้งสุดครั้งที่ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือบวชเมื่อาอยุห้าสนะิบแลท่านก็มีเวลาสอนทำโยกฟย่สิปี ถ้ารวมกับเวลาสอนทำที่ต่อเป็นคารวะอีกสองสามปีก็ประมาณสามสิบปีช่วงที่ครูบลูกศิษย์รุ่นแรกๆนี่ก็จะเล่าว่าหลวงว่ดเทียนนี่ท่านไม่ค่อยเทศไม่ค่อยบรรยายนะจะเรียกว่าท่านบรรยายไม่เป็นเลยก็ได้แต่ว่าจุดเด่นของท่านก็คือว่าการการสอนคนแบบตัวต่อตั ว, ตวเป็นการสอนที่จี้ไปถึงใจแล้วก็กระแทก ค, ความรู้สึกได้ เป็นอย่างดีเพราะว่าท่านมีวิธีการแปลกๆหรือมีวิธีการทักที่ไม่เหมือนใครคูบาจารย์หลายท่านนี้ท่านจะเก่งเรื่องการเทศแต่ว่าหลวงพ่อเทียนท่านจะเทศน้อยมาจากกนกระทั่งช่วงสิบปีหลังนีท่านจึงจะเทศบรรยายแต่ว่าก่อนนั้นคือยี่สิปียี่สิปีแรงนี่ลูกศิษย์ลูกเล็ ก, ล ก, ล ก, ลกก็บอกว่าในท่านจะเน้นเรื่องการสอนตัวต่อ ต, ตัวมากกว่า และบางทีก็ทําให้คนลูกศิษย์นี่ก็ช็อกเหมือนกันตกใจเหมือนกันนะอาจารย์โกวิทเขมมณันทาเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์คนสําคัญของหลวงพ่อเทียนเดิมทีท่านเป็นลูกศิษ ย, ย, ย์ที่มีชื่อเสียงจากสวนโมกประมาณปีหนึ่งแปดเนี่ยท่านก็ได้รับนิมนต์มาท่านมาจำพรรษาที่วัดชนรนัตพันตอนนั้นท่านก็มีชื่อเสียงแล้วนะ คำบรรยายของท่านหนังสือของท่านนี่ก็มีคนอ่านเยอะซึ่งตรงข้ากับหลวงพ่อเทียนซึ่งก็ได้รับก็มาจำภาษาที่วัดชนเหมือนกันในปีเดียวกันแต่ว่ามาสอนพระแต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่ตอนหลังนี่อาจารย์กูวิกก็สัตว์านับถือหลวงพ่อเทียนเพราะว่าการสอนของท่านนี่ที่ตรงจุดนะโดยพอนเรื่องความรู้สึกตัว มีวันหนึ่งอาจารย์กุบิศเล่าว่าคือปกติอาจารย์กวิศเนี่ยท่านมีความรู้เยอ ะ, ะท่านก็เล่าเรื่องราวในพัตตปิฎกธรรมะในพัตตปกเรื่องราวสมัยพุ ก, การท่านก็เอามาเล่าในการบรรยายหลวงพ่อเทียนก็ก็นั่งฟังนะก็คงฟังอยู่หลายครั้งวันหนึ่งก็ฉันอาหารด้วยกันหลวงพ่อเทียนก็ถามอาจารย์กุบิศกวิศว่าตอนนี้อยายุเท่าไหร่อายุ40ปีครับ อาจารย์โควิดนี่ตอนเด็กๆจําได้ไหมว่พาพ่อว่าแม่นี่สอนอะไรบ้างจําไม่ได้ครับมันมันต้องสี่มันกงเกือบสี่สิบปีมาแล้วพูดท่านี้แหละหลวงพ่อเทียนท่านก็ทิ้งช่อมจริงช้อนซ่อมเสียงดังเลยนะแล้วก็ผลักเก้าอี้แล้วก็พูดขึ้นมาว่าไอ้สี่สิบปีนี้ท่านยังจำไม่ได้เลยได้สองพันสองรอปีนี้ท่านจะรู้อะไรอาจารย์โควิดตกใจเลยนะเพราะปกติหลวงพ่อเทียนท่านเป็นคนพูดเบาๆนะ พูดเสียงค่อยๆแต่วันนั้นนี่อากับกริยานี่ทาให้จางกวินนี่งงเลยนะคืนนั้นทั้งคืนไม่ได้นอนเลยนะเดินจงกรมอย่างเดียวเลยเพราะว่าพูดกระแทกมากแต่ตอนเชาน้านี่หลงวงพ่อเงก็เข้ามาหาจางกวินนันแล้วก็บอกว่าให้รู้ทรู้พาษไตยพิเกนี่ก็ดีเหมือนกันนะ คือท่านอาจารบอกว่าอะไรอารบอกว่าเนี่ยรู้พรไตรปิดกก็ดีแต่อย่าไปติดมันนะอย่าไปยึดติดกับความรู้ในพระไตรปิฎกหลวงพ่อเทียนน่านจะเน้นมาว่าอย่าไปติดคัมภีร์ให้ให้เรียนรู้จากประสบการณ์ในความรู้สึกตัวบางคราวนะหลวงพระหลว ง, ลงอาจารย์กุวิ่ก็ได้มีโอกาสไปนวดหลวงพ่อเทียนท่านมีความภาคภูมิใจามากได้นวดหลวงพ่อเทียนก็มีความปลื้มนะครับที่นวดมีความปิติ นัวสักพักขอวงพรอเทียนก็ก็หลับตาเหมือนเหมือนว่าจะนอนหลับอาจารย์กุ๊ิกก็เลยความจากความรู้สึกปื้นปิติก็กลายเป็นความภาวะที่เป็นปกติเห็นครูบาอาจารย์หลับแล้วใจก็เลยเป็นปกติสักพักหลวงพ่อเทียนก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ทําใจแบบเนี้ยนะให้ทําใจแบบนี้แหละคือทําใจแบบนั้นคือเป็นปกตินะ รักษาใจเป็นปกติเอาไวา้ไอ้ที่ปลืม้มที่ปิติเนี่ยมันยังไม่ใช่นะใจที่ขึ้นใจที่ลงนี่มันยังไม่ใช่มันต้องปกตนะิท่านก็รู้ได้ยังไงไม่ทราบนะแต่นี่ก็คือวิธีการสอนของท่านนะคือสอนแบบตัวต่อตั ว, ตวสอนให้เรารู้ว่าอะไรที่ไม่ควรทําอะไรที่วางใจไม่ถูกและอะไรที่ควรจะทําอะไรที่ระดับไหนที่ควรจะวางใจ มีตอนหนึ่งหลวงอาจารย์โกวตก็เล่าว่าเนี่ยได้ได้มีโอกาสบรรยายธรรมตอนที่บรรยายธรรมนี่ก็มีหลวงพ่อเทียนนั่งอยู่ข้างๆครูบาจารย์นั่งอยู่ข้างๆนี่ก็คนบรรยายนี่ก็คงจะเกรงเหมือนกันนะทั้งที่ท่านเนี่ยอาจารย์โกวตนี่เก่งมากในเรื่องการบรรยาย คนนี่เรียกว่าลหลงไหลตามติกรรมบรรยายของท่านเพราะท่านบรรยายได้ใช้ถ้อยคำที่เพราะเหมือนกนวีสมัยสัก30สิปีที่แล้วส0ิปีที่แล้วหนังสือของจา ก, กวีนี่ขายดีมากทุก ว, วันนี้ก็ยังขายอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ไม่เหมือนเมื่อสักยี่สิบสาสิบี่สิบปีที่แล้ว แต่ว่าพอมาบรรยายครั้งนั้นท่านก็ไม่แน่ใจบรรยายเสร็จท่านก็ไม่แน่ใจนะเอ๊ะเราบรรยายถูกหรือเปล่านะบรรยายดีหรือเปล่าเพราว่าเทนพูดก็พูดสอนท่านนะว่าเนี่ยพูดแล้วก็ทิ้งเสียพูดแล้วก็ทิ้งเสียนะคือวางมางันลงซะนะอย่าไปยึดติดอันนี้ก็เหมือนกับที่ท่านท่านทวงท่านติงเรื่องการติดคําทีติดพระตรปิฎกนะ อย่าไปติดมั น, นในตอนเด็กันเวลาพูดเมื่อพูดผ่านไปแล้วก็วางซะ เ, เวลาสอนเรื่องการปฏิบัติท่านก็สอนแบบนี้นะคือให้รู้รู้แล้วก็วางซะรู้แล้วทิ้งซะนะไม่ใช่รู้แบบจี้นะไม่ว่ารู้กายก็ดีรู้ความรู้สึกไม่คิดก็ตามรู้แล้วก็ทิ้ ง, ร, บบ ร, ร, ร, ร, งรู้แล้วก็ผ่านเสีย ท่านจะสอนนะว่าให้ให้ดูความคิดนะอย่าเข้าไปในความคิดแล้วก็อย่าหยุดความคิดก็สั้นๆแค่นี้แต่ว่ากินใจความมากทีเดียวคนส่วนใหญ่นี่เข้าไปในความคิดนะลอยหลงเข้าไปในความคิดพอมาปฏิบัติเข้าพอมาปฏิบัติเข้าก็จะพยายามที่จะไม่เข้าไปในความคิดเสร็จแล้วก็เบี่ยงไปอีกทางหนึ่ง ก็คือพยายามหยุดความคิดพยายามห้ามความคิดอันนี้เป็นความสุดตรงนะเป็นความสุดตรงอ่ะกลางๆคืออกลางๆ ค, คือดูความคิดไม่เข้าไปไม่ตามความคิดแล้วก็ไม่ไม่หยุดไม่ห้ามไม่กดข่มความคิดพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสวิงไปทางสุดตรงนะทั้งสองทาง ปรเดี๋ยวก็เข้าไปในความคิดประเดี๋ยวก็พยายามที่จะหยุดพยายามที่จะห้ามความคิดอันนั้นไม่ใช่นะให้ดูเฉยๆคำ ว, ว่ารู้เฉยๆเนี่ยรู้เฉยๆรู้ซื่อๆเนี่ยนะเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ท่านพยายามเน้นยำ้ำไอ้การเพ่งก็ไม่ใช่เพ่งนี่มันก็เป็นความพยายามที่จะไปกดข่มอีกแบบหนึ่ง ท่านใช้กำลังกดจิตตัวเองสะกดจิตตัวเองทำให้สงบนะเพื่อจะได้ไม่รับรู้อะไรนอกาปฏิบัติจำนวนมากนี้ก็เป็นอย่างนี้นะลูกเสียรูกแรกๆของท่านนี่ก็ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะจะไปเพ่งจะไปติดอยู่ที่สมาธิตัดการรับรู้ไม่ไปรับรู้อะไรเจตจะเพ่งเข้าในวันดีคืนนี้หลวงพ่อเทียนก็ เดินเอาผ้าคลุมศีรษะคงเป็นผ้าอาบน้ำนะเอาผ้าคลุมศีรษะเดินผ่านให้ลูกศิษย์เห็นเรานึกภาพเนี่ยผ้าเอาผ้าอาบน้ําฝนเนี่ยคลุมศีรษะแล้วก็เดินนะเพื่ออะไรนะเพื่อเตือนว่าอย่าทําอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้นะอย่าไปอย่าไปจมอยู่ในความคิดหรือจมอยู่ในอารมณ์หรือว่าอย่าไปตัดการรับรู้อะไรทั้งสิ้น ให้รู้นะให้รับรู้รู้อย่างที่มันเป็นรู้ทั้งข้างนอกรู้ทั้งข้างในนะอันนี้ก็หลวงพ่อคำเขียนท่านก็เล่าเหมือนกันนะเคยตอนปฏิบัติใหม่ๆฉันก็ไปนั่งสร้างจังหวะอยู่ในกุฏิปิดประตูหมดเลยเนะหลวงพ่อเทียนก็มาหามาอยู่ข้างหน้ากุฏิถามว่าทําอะไรอยู่หลวงพ่อคําเขียนก็บอกว่ากําลังสร้างจังหวะอยู่ครับ ลวงพอเตีกถามว่าอยู่ข้างในนี่เห็นผมไหมไม่เห็นครับแล้วทำไงถึงจะเห็นต้องเปิดประตูครับก็เปิดประตูสิพอเปิดประตูเสร็จทั้งก็ถามว่าเห็นข้างนอกไหมเห็นครับข้างในอะไรเห็นไหมหมายถึงข้างในกุฏินะเห็นครับให้ทำอย่างนั้นนะก็คือว่าให้รู้ข้างนอกรู้ข้างในเอาคนปฏิบัตินักปฏิบัติบางทีจะเพ่งเข้าในพยายามตัดการรับรู้ นะตัดการรับรู้ทุกอย่างนะพยายามที่จะไปจ้องดูความคิดนะหรือไปเพ่งไปบังคับจิตให้มันนิ่งอันนี้มันก็เป็นความความมือดอีกแบบหนึ่งนะเป็นความมืดนะเป็นความมืดสีขาวก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นการตัดการรับรู้ทุกอย่างที่อยู่ภายนอกอาการจิตหสตินี่มันไม่ใช่ว่าตัดการรับรู้สิ่งภายนอกนะเพียงแต่ว่ารู้แล้วก็ รู้แล้วก็วางหรือว่าศัแต่ว่าศัแต่ว่าเห็นศัแต่ว่าได้ยินไม่ใช่ปรุงแต่งนะยาวเยียดรู้ข้างนอกรู้ข้างในถ้ายึงให้เปิดตาไม่ใช่ปิดตานะปิดตานี่มันเป็นการเพียามตัดการรับรู้แล้วมันจะเป็นการทำให้จิตนี่เพ่งและเพ่งก็เข้าไปเพ่งดูความคิดหรือไปจ้องนะไปติดอยู่กับอารมณ์นะไม่ว่าภายนอกไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ ไมาจะเป็นอารมณ์รูปธรรมเช่นร่างกายมือเท้าที่เคลื่อนไหวนะหรือว่าไปฝักไปดักเฝ้าดูความคิดเพื่อให้ความคิดมันหลุดออกมาทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ใจสงบเพื่อ ใ, ใจไม่คิดอะไร น, นั้นไม่ถูกอ า, อาจารย์กุบิทางเล่านะว่ามีคราวคือท่านปกติท่านก็เป็นคนชอบเพ่งนะชอบทำสมาธิแบบเพ่งหลงพ่อเทียงก็มาสอน ค, คุยดีๆท่านก็เอามือขวากับมือซ้ายประกบกันแล้วก็เคลื่อนไหวไปเนี่นะเคลื่อนไหวเนี่ยถามให้เห็นมือผมไหมอาจารย์คุย ก, ก็บอกว่าถ้าเห็นมือขวาก็ถ้าเห็นหน้ามือก็ไม่เห็นหลังมือครับถ้าเห็นหน้าหลังมือก็ไม่เห็นหน้ามือครับหลวงพ่อเจีงก็เลยถามว่าแล้วท่านไงถึงจะเห็นทั้งสองก็ต้องมองแบบผกผ่านครับมองแบบผ่านตลอดครับ ันนั่นแหละนะทำอย่างงั้นแหละท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าดูป่ามันก็ไม่เห็นต้นไม้นะถ้าดูต้นไม้ก็ไม่เห็นป่าเวลาต้นไม้ต้นอื่นมันตกตเวลามันต้นไม้ต้นอื่นนี่มันมันโค่นล้มก็ไม่เห็นนะท่านก็ท่านต้องการพูดว่าอย่าไปจ้องอย่าไปเพ่งที่ไหนเลยนะให้มองทะลุมองผ่านตลอดนะมองป่าก็ไม่ใช่มองต้นไม้ก็ไม่ใช่ นี่เป็นวิธีการสอนของท่านนะที่เรียกว่าสอนแบบตัวต่อตั ว, ตวที่ที่ทำให้นำผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงการความรู้สึกตัวได้แต่ว่าตอนหลังนี่พอท่านอายุมากแล้วเนี่ยท่านก็โดอเพอะเมื่อท่านต้องผ่าตัดนะพเพราะมะเร็งลำไส้แล้วนี้ท่านก็การสอนแบบตัวต่อตัวของท่านก็น้อยลง ถ้าก็มันในเรื่องการบรรยายมากขึ้นแต่ก็เป็นโชคดีนะเพราะว่าถ้าท่านไม่บรรยายก็ไม่มีหนังสือให้เราอ่านหนังสือที่เราได้เห็นนะส่วนใหญ่ก็เป็นการบรรยายในช่วงท้ายๆของท่านก็คือในช่วง10ปีหลังกว่านั้นนี่คำสอนท่านก็เป็นคําสอนตัวต่อตั ว, ต ว, ตวนะซึ่งต้องอาศัยเกรดของรูปศิษย์ที่จะมาย้อนห ล, ลั่ แล้กจเหล่านี้ก็หน้าปันก็จะเลือนหายไปนะถ้าไม่มีการบันทึกไม่มีการเล่าแล้วก็จะคงเหลือแต่คําบรรยายนะซึ่งก็ยังมีการพิมพ์อยู่เรื่อยๆอานท่านก็มีมีมีมีมุมมองที่น่าสนใจนะอาจารย์โกวิทก็เล่าเหมือนกันนะว่ามีคาราหนึ่งที่วัดชนระปทานเนี่ยก็มีการนิมนต์มีการเชิญผู้นําศาสนา หลายศาสนานี่มาบรรยายอันนี้ก็เป็นการเจริญรอยตามเจตนาลมของท่านเจ้าพุทธทาส ต, ต้องการเติมความเข้าใจระหว่างศาสนาอาจารย์โกวิชก็เป็นผู้เป็นตัวแทนฝ่ายพุทธตัวแทนฝ่ายมุสลิมก็ท่านทัดยีประยูนรัฐา น, นิยกุลซึ่งเป็นสหายสหายของอาจารย์พุทธทาสก็มีตอนหนึ่งอาจารย์ทัดยีก็พูดว่าเนี่ย เมื่อมีอนะันเลาะก็ไม่มีประยูนท่านชื่อประยูนเมื่อมีประยูนก็ไม่มีอันเลาะผูดจบนี่หลงวงพ่อเทียนก็เข้ามาเข้ามาจับไม้จับมือกับคดีประยูนนะบอกว่านี่พูดถูกนะพูดถูกต้องนะอันนี้จริงๆถ้ามองนะมันก็เป็นปริศนาให้ชวนคิดนะว่า สิ่งที่อธิปยุนพูดเนี่ยมันมีความหมายทางพุทธว่าอย่างไรก็คือว่าถ้ามีตัวตนอยู่นะถ้ยังมีตัวตนมีตัวฉันอยู่เนี่ยมันก็ก็เข้าไปถึงปรมาทัศน์อัลเลาะห์เนี่ยของท้าอธิปยุนนะก็หมายถึงปรมาทัศน์ของชาวพุทธถ้ามีตัวฉันถ้ายังมีตัวฉันอยู่ก็ ไม่ไม่มีทางเข้าถึงปรมัทิตย์ได้จะพบปรมัทิตย์จะเข้าถึงแต่เมื่อเข้าถึงปรมัทิตย์แล้วมันก็ไม่มีตัวฉันไอตัวฉันนี่มันเป็นแค่สิ่งที่สมมุติสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาแม้กระทั่งนายก่รนายขอสัตว์ตัวตนบุคคลราวความก็เป็นเป็นเรื่องของสมมุติถ้ายังเห็นแค่นี้ยังติดแค่นี้นะมันก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจปรมัตยธรรมหรือสัจธรรมที่เป็นคั้น ท่านลึกซึ้งได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าท่านหลงวงพ่อเทียนท่านก็มีความลุ่มลึกในทางในทางในทางธรรมะนะชนิดที่ทําให้เข้าท่านสามารถจะเข้าใจสิ่งที่เพื่อนต่างศาสนาสอนได้ซึ่งคนธรรมดาเข้าใจยากนะถ้ามีอันลอกก็มีมีประโยชน์ถ้ามีประโยชน์ก็ไม่มีอันลอก แต่ว่าหลวงพเทียนนี่ท่านมองทะลุไปเลยว่าโอ้ยอันนี้แหละนะ้ําตาลเป็นเรื่องของจริงคู่คู่ตรงข้ามระหว่างให้ตัวฉันอัตตานะกับความจริงขั้นปรมาจิตสิ่งที่ท่านสอนมาเนี่ยนะมันเป็นเป็ น, ปนความจริงที่สากลตนะุเลยเพราะเรื่องว่าการให้ดูความคิดนะไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็มาหยุดความคิด หรือว่าการรู้เฉยๆรู้ซื่อๆธรรมดาคนเรานี่ไม่ค่อยแม้จะรู้อะไรก็ไม่ค่อยรู้สื่อๆไม่ค่อยรู้เฉยๆเท่าไหร่ใจมันมีความคิดเลือกที่รักมักที่ชังกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจถ้าเป็นความสุขความปิติความสงบก็อยากจะเข้าไปยึดอยากจะเข้าไปครองให้มันอยู่นานๆ แต่ถ้าเป็นความฟุ้งซ่านจะเป็นความอารมณ์ที่เป็นลบอกุศลเช่นความเครียดนะหรือว่าความหงุดหงิดสังเกตมาใจเรามันอยากจะผลักออกไปใจมันไม่ชอบเราปฏิบัติก็จะมีความรู้สึกนี้มากนะกับความฟุ้งซ่านไม่ชอบความฟุ้งซ่านทำไมมันฟุ้งซ่านอย่างนี้ ถ้าเมื่อได้ก็ะตาที่เราไม่ความความี่แบบนี้แสดงว่าเราไม่ได้รู้เฉยเไม่ได้รู้สื่อๆนะ่อเรามีความรู้สึกลังเกยียดผักใสนะมันเป็นความรูนะ้ที่เจอไปด้วยความอยากเจอไปด้วยกิเลสเจอไปด้วยโทสะถ่าหลายคนก็จะสงสัยว่าทาไมรู้ว่าฟุง้งรู้ว่าโกรธแต่ทำไมก็ยังโกรธอยู่นะหลายคนจะ มีคำถามแบบนี้ก็ตอบได้สองอย่างเนี่ยตอบได้สองอย่างด้วยกันอันแรกก็จะเป็นเพราะว่าสติเรายังอ่อนมันรู้แต่ประเดี๋ยวเดียวก็ถูกความโกรธความหลงคล่อมนำเหมือนกับไฟกองใหญ่นะถ้าเอาน้ำน้อยไปฉีดไฟมันก็ดับเพรานีน้ำก็เหือดแห้งไฟก็ไม่ดับ น้ำมันหายระเหยหายไปเลยเพราะไฟก้อนไฟมันใหญ่กว่าไอ้โทสะความหงุดหงิดความเครียดความฟุ้งซ่านเราก็เหมือนกับก้อนไฟที่มันใหญ่เกินกว่ากําลังของน้ําังนั้นถ้าสติเราอ่อนเนี่ยนะไอ้ความฟุ้งซ่านอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นมันก็ยังอยู่มัอาจจะดับไปชั่วขณะหรืออาจจะอาจจะวูบไหวไปชั่วขณะเสริมก็ฟูขึ้นมาใหม่ สติเรา จ, จะอ่อนนะก็ต้องสร้างสติของเราให้มีกําลังมากขึ้นนะพอฟัดพอเหวี่ยงกันถ้ากองไฟกองใหญ่นะแต่ว่าขณะเดียวกันน้ํานี่ก็น้ําก็ไหลแรงนะอย่างน้ําที่ใช้ดับเพลิงเนี่ยมันก็สามารถจะดับกองไฟได้แต่จริงถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันไม่ปล่อย ใ, ให้กองไฟมันลุกท่วมเป็นกองใหญ่เงี้นหรอก มันก็จะแค่เป็นกองเล็กๆหรือแค่เป็นประกายเท่านั้นแหละแต่สติก็สามารถจะทําให้ให้มันดับไปไดนะ้คือเพียงแค่รู้เฉยๆนะเพียงแค่รู้เนี่ยไอ้ความหลงก็หายไปไอ้ความโกรัวมันเกิดขึ้นเพราะความหลงเพราะความไม่มีสติเพรมีสติปุ๊บนะมันก็มาแทนที่ความหลงเมื่อไม่มีความหลงมันก็ไม่มีเชื้อให้ให้ไฟนี่มันลุกขึ้นมาได้มันก็ดับเท่านั้นเอง นั่นเหตุผลที่หนึ่งนะที่เรารู้รู้ว่าโกรธแต่ทำไมมันไม่ดับมันไม่หายไปมันยังโกรธอยู่เพราะว่าสติเราอ่อนหรือประการที่สองเพราะว่าก็เป็นเพราะสติของเรานี่มันไม่ใช่เป็นสติที่บริสุทธิ์มันไม่ใช่เป็นอาการที่รู้เฉยเฉยมันเจอไปด้วยความอยากเจอไปด้วยความรังเกยียจความผลักไสที่มีต่อความโกรธที่มีต่อความฟุ้งซ่าน มันก็เปลี่ยนเหมือนกันน้านะน้ําถ้าเป็นน้ําบริสุทธิ์นะมันก็ยังพอที่จะดับไฟได้แต่ถ้าน้ํามันเจอจะน้ํามันนะถ้าน้ํามันเจอจะน้ํามันเนี่ยมันจะดับไฟได้ไหมบางทีมันทําให้ไฟในลุกท่วมแรงเข้าไปอีกสติถ้าว่านี่ให้เป็นสติบริสุทธิ์นะเป็นสติที่เจอเจอไปได้วยโทสะความไม่ชอบนะที่มีต่อความฟุ้งซ่านนะ ความโกรธมันก็เหมือนกับน้ําที่มันเจอด้วยน้ำน้ำมันก็ลองดูใจของเรานะว่าใจของเราเนี่ยมันมีมีความรู้สึกชิงชังต่อความฟุ้งซ่าหรือเปล่ามันไม่ใช่เป็นการรู้เฉยเฉยมันเป็นการรู้ที่มีอคติเจอด้วยกติด้วยถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ดับยากนะแล้วก็ปรับใจของรอเนี่ย หรือว่าให้กลับมารู้ทันความรู้สึกลบต่อความฟุ้งซ่านมันต้องบางทีต้องดูซ้อนนะมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมันมีความรู้สึกลบต่อความฟุ้งซ่านเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ทันมันด้วยรู้ทันต่อความฟุ้งซ่านแล้วก็รู้ทันไอความรู้สึกลบที่มีต่อความฟุ้งซ่านมีความโกรธเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันความรู้สึกลบที่มีต่อความโกรธนั้น มันต้องรู้เข้าไปลึกเข้าไปนะไม่ใช่เห็นหรือรู้ทันความโกรธแต่ไม่เห็นไม่รู้ทันความรู้สึกลบที่มีต่อความโกรธนั้นเราต้องล่วงเข้าไปนะ ไ, อไอความรู้สึกที่เป็นลบนะีต่อความโกรธต่อความฟุ้งซนะ่านเนี่ยบางทีมันทำให้เราเป็นทุกข์กับการปฏิบัติมากกว่าตัวความโกรธเดวยซ้ำมากกว่าตัวความฟุ้งซ่านเดวยซ้า ผู้งานคือว่าฟุ้งซ่านไม่เป็นปัญหาแต่พเกลียดความฟุ้งซ่านเนอันนี้เป็นปัญหาฟุ้งซ่านถ้าเรารู้มันรู้เฉยๆนะอันนี้ดีแต่ถ้าเรามีความพยายามอยากจะผลักสายมันมีความเกลียดชังมันมีความรู้สึกลบต่อมันอันนี้เป็นปัญหาแนละ้วลองวางใจเป็นกลางนะหรือว่ารู้สึกเฉยๆนะต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ระเบิดหรือลบ อารมณ์ที่เป็นบวกเราก็ไม่ได้ชอบมันอารมณ์ที่เป็นลบก็ไม่ได้ชังมันให้ลองสังเกต ด, ดูความชอบความชังในใจเราบางทีมันซ่อนอยู่เราก็ต้องมีสติรู้ทันให้เห็นลึกเข้าไปให้ได้อันนี้เรียกว่าเป็นเป็นความหมายการรู้เฉย เมือ่อลูกใช้แล้วเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้รู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่า น, เ, นเหมือนกับว่าเรานั่งรถทัวร์เรานั่งรถทัวร์รถถวเนี่ยเราจะผ่านศูนย์การค้าเราจะผ่านภูเขาทะเลเกาะแก่นยังไงก็ผ่านตลอดไม่มีการแวะไม่มีการลงอันถ้าขับรถเก่งนี่ยังมีการแวะการลงบ้าง ลงไปช้อปปิ้งลงไปซื้อของลงไปชมทะเลนะหรือว่าบางทีเห็นเห็นข้อมูลกันก็ลงไปดูว่ามุงอะไรนะมีอุบัติเหตุนะไม่อยากดูศพไม่อยากดูคนตายแต่ก็ยังอยากจะเข้าไปมุงดูเขาแต่ถ้าเป็นนั่งรถทัวร์นี่มันผ่านตลอดนะไม่ว่าสถานที่ที่น่าเที่ยวหรือว่าสถานที่ที่ไม่น่าเที่ยวก็ผ่านตลอด ให้เราปฏิบัติแบบนั้นแหละนะผ่านปลอดรู้แล้วทิ้งรู้แล้วผ่านเลยเอา่าเราคำนี้ก็พูดกันทุนนี้นะกราบภาพคำตรง